นมีจักรสี่ทวานเก้าเนี่ยนะยังพอให้เป็นไปได้หรือจักรสี่ก็คืออิริยาบถสี่ใช่ไหม ย, ยืนเดินนั่งนอนทวานเก้าก็ทวานตาเป็นต้นเนี่ยนะบริหารให้เป็นไปได้หรือแต่ว่าพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือไม่ลำบากด้วยอาหารบินทบาทหรือเนี่ยนะยก็ แล้วของเราเป็นอย่างนั้นไหมมหาจักดเนี่ยมันจากเดินไปยืนจากยืนไปนั่งจากนั่งไปนอนยังราบรื่นดีอยู่หรือเปล่าแต่าไกสอนยังคล่องแคล่วว่องไวยังยังได้นะผูการบอกว่าครอกแคล๊กครอกแคล๊กแล้วข้อต่อเ ล, ลาๆแหงอรชักรวนแล้ว ม, มันค่อยๆเตือนอย่างเงี้ยไปเรื่อย <laughs> ใช่มันก็ค่อยเตือนขึ้น เพราะว่าวันนี้จะหน่มกว่าพรุ่งนี้อีก น, นะนะจา้าไอ้ในพูดกระทบกันหรอคุณชูกัะว่าเรื่อยระวังนะอ้วนอย่างนั้นบอกว่าใครจะไปอินเดียนะมาทานอูโบสตก็บางนั้นได้ศีลแปดเป็นตรงตรงใช่ไมลดความอ้วนโดยอ้อม จันแดงเอาสีแปดกับเขาด้วยป่ะอ๋อกะไว้นะมันต้องแจ้งไปก่อนนะวหน้าอุบาศกยังเอาสินแปดเลยอะ่ะก็สีนแปดครึ่งหนึ่งไม่แปดครึ่งหนึ่ง ก็ที่ผ่านมาเราพูดสัมมาทิธฐิเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะมักแปดนั้นไม่สา ม, มารถที่จะแสดงโดดๆได้เพราะว่าปกติแล้วธรรมะทั้งหลายก็จะมีบริวารหรือมีบริขารของเขาถ้าที่ใดมีสัมมาทิธิอันนี้พูดถึงระดับมหากุศลทั่วไปเนี่ยนะก็ต้องมีสัมมาสังกัตปะอยู่แล้ว ต้องมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิถ้าเมื่อใดที่วีระติเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็เป็นอันนะเป็นศีลไปนี่ในบรรดามรรคทั้งหลายเนี่ยนนะเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นเป็นมรรครู้ได้ยังไงว่าเป็นศีลเพราะว่าปัญญาทั้งหลายก็เกิดร่วมกับทั้งในกรรมสักตาปัญญาเป็นต้นเนี่ย น, นะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังอบรมเจริญ อริยมรรคแม้กระทั่งการรักษาศีลทั่วทไปเขาก็รักษาศีนกันใช่ไหมเรารู้ได้ยังไงว่าศีลที่เราอบรมอยู่เราเจริญอยู่นี่เป็นมรรคเอาอะไรเป็นเครื่องวัดอ่าก็ก็เช่นว่าคนที่เว้นจากปานาติบาศเขาก็เว้นจากปานาติบาศคนที่เจริญมรรคเขาก็เว้นจากปานาติบาศโดยชิดที่มีชีวิตตินซีเป็นอารมณ์นั่นนะต่างกันตรงไหนต่างกันไหมคุณอารี ฮะเออมันก็ศีลเหมือนกันอะ่ะแล้วมันต่างกันตรงไหนสมมติว่าคนทั่วๆไปเขารักษาศีลห้าหรือคนที่เขารักษาศีลอุโบสถเนี่ย น, นะหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงบางกลุ่มก็เจริญมรณานุสติอยู่นะถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่ากุศลอันนันเนี่ยเป็นการเจริญมั้ก นะกลับเป็นการเจริญเพื่อวัตตะอะไรเป็นเครื่องรับรองเนี่ยนะนะก็กุศลด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่เหรือคุณนิลาวัน<อ>รู้ได้ยังไงว่าเจริญมักอยอเช่น อ, อ่า น, นะจะ ร, รักษาศีลเหมือนกันซึ่งศีลก็คืออะไรสัมมาวาจาสามากมันตะสัมมาอาชีวะ นะถ้าสมถะล่ะก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าอบรมปัญญาเช่นพิจารณาอานิจจสัญญาหรือมรณ า, านุสติเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นการอบรมปัญญาอยู่แล้วทั้งอบรมศีลส ม, มถะวิปัสนาหรืออบรมปัญญารู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นมูลของวัตตะอะไรเป็นมูลของวิวัตตะเนี่ยนะ อเอาความประสงค์เป็นประมาณเรนน์นะเรียกว่าเอาเจตนาที่ตั้งไว้เนี่ยนะเป็นเกณฑ์หรือที่เรียกว่าความปรารถนาก็ได้ปรารถนายังไงเมื่อเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นทั้นคนที่เจริญอบรมมัจที่เจริญถูกต้องเนี่ยนะอบรมมัจเจริญมัจเจริญอย่างถูกต้องก็คือเจริญด้วยอาศัย สูตรของเขาคืออาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยนะตัวศีลก็เป็นตะทางค้าวิเวกใช่มสมถะก็เป็นวิขัมพนะวิเวกปัญญาก็เป็นตะทางค้าวิเวกในเบื้องต้นแต่เป็นการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เพื่อสมุดเฉทาวิเวกเพื่อนิสรณะวิเวก อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเกณฑ์ที่ที่เรามาตั้งว่ากำลังเจริญมัรกอยู่เจริญหรือกำลังปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะไม่ตั้งความปรารถนาไปอย่างนี้ก็เจริญไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรสรุปสรุปว่าน้องไปเพื่อทำปริญญากริจไหมทำประานะไหม สัจิกิริยาไหมและอะไรแล้วก็ภาวนาไหมปริญญานั้นหมายถึงปริญญาไหนอ่หมายถึงยาตะตีรณนะตัวเนี้ยคือปหานะปหานะปริญญาอันนี้ก็นิพพานอันนี้ก็อริยมรรคมีองค์8 พันการเจริญพวกนี้มุ่งอย่างนี้เป็นประมาณจะพิจารณาอะไรก็ช่างเถอะจะเจริญอยอะไรอยู่ที่เป็นกุศลนะจะพิจารณาอะไรก็ตามจะเจริญอะไรก็ตามมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะชัดเจนตรงนี้เลยว่าเพื่อเนี่ยเพื่อปริญญาเพื่อปหาะเพื่อทำให้แจ้งเพื่อทาที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดพระนิพานแต่ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนอย่างนี้ เราเราวัดไม่ได้หรอกว่าเราเจริญอะไรอยู่เจริญแล้วไปจบที่ไหนจบยังไงอะไรเนี่ยนะมันไม่มีความชัดเจนเอาเลยแม้กระทั่งเจริญกุศลวิตกทั้งหลายเจริญพุทธานุสติเจริญอะไรอยู่ก็ตามเข้าใจว่าคุณบุญมีพอเข้าใจตาละห้อยเลยดูนี้อยู่หรือเปล่าตาเนี่ยดูแหละแต่ว่าใจไม่คิดตามใช่ใช่ใช่อมืม เขามีเรื่องเล่าอย่างนี้นะคุณมีก็มีเรื่องเล่าว่าภาพรูปหนึ่งท่านไปอยู่ป่านะท<ม>ีนี้เมื่อท่านไปอยู่ ป, ป่าเนี่ยนะเป็นพระที่มีฤทธิ์ในพรานเนี่ยเขาถือหอกล่าเนื้อมาเตรียมจะจิ้มเนื้อเลยนะทิ่มเนื้อถือหอกไปพระท่านก็เห็นท่านก็เลยออกมายืนขวางแต่ท่านก็แสดงฤทธิ์ให้ดูท่านก็เนรมิตให้ไฟเนี่ยมันลุกที่นิ้วอะนะแล้วท่านก็แสดงทง ในพรานตาก็ดูไฟอ่ะนะดูไฟที่เอ่อเนรมิตให้ดูโอ้อลังการมากหูก็ฟังเสียงใจคิดถึงเนื้อนี่นะถ้าเราทิ่มตัวนี้ได้นะเราจะปิ้งกินส่วนนี้นะแล้วที่เหลือเราจะเอาไปฝากลูกอย่างนั้นไปขายส่วนนั้นส่วนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเลยหูก็ได้ยินเสียงตาก็ดูกระดานใจคิดถึงที่ไม่ใช่ห้องก็แล้วกัน มันก็ถือเอาการเจริญเพื่อบรรลุมรคผลเป็นประมาณนะการเจริญกุศลธรรมถ้าไม่อย่างนั้นกุศลที่เจริญก็เจริญไปอย่างนั้นนะไม่มีความชัดเจนอะไรบุคคลอื่นให้ทานคนที่บริจาคทานมากๆประดุษพระโพธิสัตว์เนี่ยมีไม่ใช่น้อยใช่ไหมแต่ถามว่าเข้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไหมไม่เป็นถามว่าทาไมเพราะความปรารถนาไม่มี คนรักษาศีลก็เหมือนกันคนที่อบรมเมตตาอบรมกรรมฐานเหล่าใดเขาก็เจริญกันเป็นจริงเป็นจังนะแต่ทําไมเขาไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะเขาไม่มีอัธยาศัยตั้งไว้อย่างนั้นเลยไม่มีอัธยาศัยตั้งไว้เพื่อมรรคผลเลยฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมต้องตั้งอัธยาศัยเพื่อบรรลุมรรคผลหรือที่เรียกว่ากิจของอริยสัต์เนี่ยนะมุ่งไปสู่จุดนั้นถ้าไม่มุ่งไปสู่จุดนั้นก็เป๋ไปเด่อย ถูกกุศลชักลากไปแต่ก็ดีกว่าอกุศลนะ่ะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแม้แต่กุศลนะคนที่เจริญถูกต้องบริบูรณ์ก็ยังรู้ว่ากุศลก็ยังให้ผลเป็นทุกข์อยู่โดยกรรมมะปัจจัยนะให้ผลเป็นทุกข์ไหมคำว่าทุกข์ในที่นี้คือให้ผลเป็นสังขารทุกข์อยู่เพราะให้ผลเป็นชาติชรา ม, มรณะเนี่ยนะของเราทั้งหลายที่มาเนี่ยก็มาด้วย้วยบุญนะโอมีบุญมากเลยนะ ก็รักษาไวา้ดีนะเพราะว่าอายุมันจํากัดใช่ไหมชารามรณะมันเตือนอยู่ทุกวันทุกวันชาติก่อนเคยเจอมตนี้เลยาหน้าหวังว่าจะไม่ได้เจอ <laughs> <laughs> พอกันที่อย่างงี้นะ <laughs> อย่างงี้รู้ <laughs> ่ามาดูในหน้าห้าสิบแปดนะสัมมาสังกัปปะ อันนี้ดูในในสูตรก่อนดูอัตถกาถาสัมมาสังกัปนั้นถ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยแบ่งเป็นสามอย่างใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเนคข ม, มัสสังกปัปปะสองอภยาปาทาสังกปัปปะสาอาวิหิงสาสังกปัปปะคนที่ท่องได้นี่มีบุญมากเลยนะมีอริยทรัพย์จันเกตเขาเห็นว่าเราเราจะท่องอริยสัจมาตั้งนานแล้วไปถึงไหนแล้ว อ๋ออีกสูตรหนึ่ง น, นะอริยสัจจงยกไว้อ๋อออริยสัจก็เอาด้วยไม่ได้อะไรก็อริยสัจก็ยังดีเนี่ยไม่ใช่อย่างดีนะอย่างดีเลยแหละเอาให้ได้อริยสัจ์นี่ไปท่องไว้เถอะอ น, นะไม่ได้อะไรก็จำอริยสัจได้ก็ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะเรียกว่าลงรายละเอียดทั่วๆไปไม่ค่อยได้นะเอายอดไว้ก่อน เพราะว่าการศึกษาวิชาทุกวิชาก่ลงที่อริยสัจนี่แหละเอาอริยสัจไว้ก่อนแบบทุ้การว่าทุกการเขาเป็นคนสนใจอริยสัจมามานานมากนะมานานก่อนที่จะเจอที่จะได้มาเรียนร่วมกันนี่อีกนะนะก็เข้ามาครั้งแรกๆผุ้การก็เอาหนังสือมาช่วยให้ดูให้ก็อภินยะยะธรรมขึ้นเลยปรินยะยธรรมปะหาตประธรร ม, รรมสัจจิกาตประธรรมภาเวตปธรรมเนี่ยนะ ก็นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าถังไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีโครงสร้างอันนั้นอยู่จริงๆเนี่ยมีโครงสร้างเพราะเป็นผู้ที่ฝักใฝ่สนใจอริยศาสตร์เป็นพิเศษบางท่านก็กล่าวว่าอริยศสตร์นี้ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วทีนี้ในบรรดาอริยศาสตร์เนี่ยนะทุกศาสตร์นั้นไม่ได้ต้องไปเจริญอะไรเข้าเลยความแก่ความตายต้องไปเจริญไหมตัวมันเองนะไม่ต้องตัณหาต้องไปเจริญไหม ไม่ต้องเพราะฉะนั้นกิจของทุกขสั์ก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคือเข้าไปเข้าไปเรียนรู้นะเข้าไปทําปริญญาเหมือนว่าทุกขสั์ประดุดคำพีเนี่ยนะก็เข้าไปอ่านอย่างเดียวประโยชน์ของตําราคือการอ่านประโยชน์ของอุปาทานขันท่าที่เป็นทุกขสั์คือพิจารณาฉันนั้นนะใครที่ไปทํากิจผิดประเภทอันนี้ก็ใช้ไม่ได้สมุทยัยศาสตร์ละ่ะละอย่างเดียวเนี่ยนะละอย่างเดียว ในโรธสัจจะก็ก็ยังไม่เห็นใช่ไหมทุกเรามีมีกันอยู่ละเราไม่กันดานไม่แห้งแรงขันห้าใช่ไหคุณวิลาวันรู้สึกกแห้งแล้งขันห้าไหมขันห้ามีทุกทวารนี่แหละลืมตาก็ขันห้าได้ยินเสียงกว่าขันห้าตันหาก็ไหลตามทวารห้านี่แหละตันหาก็ไหลตามขันห้านี่แหละสรุปวัฏทวารตาหูจมูกเล่นกายใจคือทุกข์สัตตันหาก็ไหลตามทวาร คือตาหูจหมูกเลนส์กายใจนิโรธสัจจะคือความดับสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงความดับชั้นราคะในสิ่งเหล่านี้ความดับเหตุของสิ่งเหล่านี้นิสรณะจากสิ่งเหล่านี้ก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะงมาทำไมนึกชอบตรงนี้ไม่ทราบหลายหลายคนก็ยังไม่ชอบตามเขามาจะยัดเยียบให้เงี้นะ สรุปว่าอนะันน่ะขันห้าในทวารหนะหมองให้เห็นแลวใช่ไหมคือขันห้าเนี่ยมันมีทุกทวารก็เลยเรียกย่อๆรหัสจำง่ายว่าขันห้าในทวารหเพราะฉะนั้นถ้าลืมตาทวารรับทวารใดก็ตามแม้กระทั่งคิดเรื่องอดีตอยู่ก็ขันห้าจะทวารไหนก็ตามเนีย่ยนะจะเป็นตาหูจมูกลิ้น กายหรือใจก็ตามของใครเคยแยกให้เห็นเป็นขันห้าในทุกทวารมัง่งเช่นคิดถึงเรื่องในอดีตอะไรเป็นขันอะไรคิดหวังอนาคตต่อไปนะขันอะไรก็หลายคนคิดถึงอินเดียอยู่ตอนนี้อินเดียไปก็ขันห้านะยกขันห้าไปทั้งห่าขันเลยนะใช่ไหมก็คือขันห้านั่นแหละที่จะไปนะจะไปทำอะไรก็ตามแต่ที่ไหนก็ตามนะคือขันห้า มันเป็นกิจกรรมของขันห้าตามทวารต่างๆนะเนี่ยเมื่อขันห้าตามทวารต่างๆเนี่ยอันนี้คือทวารแห่งตันหาดีๆนี่แหละทวารแห่งตันหาทำไมจึงเรียกว่าทวารแห่งตันหานเพราะไม่มีขันห้าสักขันเดียวไม่มีทวารใดสักทวารเดียวที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหา ถา้าวม่รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าขันห้าเนี่ยไม่มีแม้แต่ขันเดียวนะอันนี้พูดถึงทุกขสัตว์นะไม่มีสักขันเดียวไม่มีทวารใดศัตวทวารเดียวที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาเราอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบคุณบรรโฉคุณบรโฉดูว่าไปตรึกมามากขนาดไหนเพราะว่าเราเราเห็นฟเนี่ยไม่ตานะฮะ ม, มันก็ลงไปที่มนโน เขาเขาวัดแบบนี้เขาบอกว่าจากขันห้าทวารหก็คือที่ตั้งของเวทนาสามมีเวทนาสักเวทนาหนึ่งไหมที่ไม่เป็นทวารแห่งตไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหานะมีไหมเพราะขันห้าทุกขันทวารทุกทวารคือคือประตูแห่ง เพราะว่าเวทนาทุกเวทนานะจะนํามาซึ่งตัณหาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามเวทนาทุกเวทนานํามาซึ่งตัณหาก็ 1. โดยอารมณ์2โดยปกตูะปะตูปานิสยะ3โดยอนันตรู คือในที่สุดต้องนำมาซึ่งตัณหาอยู่ดีเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามรับที่ใดก็ตามเคยดีใจเคยเสียใจเคยเฉยที่ใดก็ตามในที่สุดนำมาซึ่งตัณหาจนไดนน้นำมาซึ่งตัณหาจนได้เพราะตัณหาคือ ตันหากิจของเขาคืออะไรสร้างขันห้าในทวารหนะงานของงานของตันหาคือสร้างขันห้าในทวารหวัตตะก็เชื่อมกันอยู่อย่างนี้ตลอดนีนนะ่อันนี้คือคือความเป็นไปของวัตตะเขาเป็นอย่างนี้แันกิจคือขันห้าในทวารหก็ไม่ต้องไปเจริญอะไรเลยไม่ต้องสักอย่างตันหาก็ไม่ต้องเจริญเพราะว่าเวทนาที่เรามีอยู่นะ การหามันเกิดอีกล้านปีก็ไม่หมดไม่เพียงพอเพราะว่าถือว่าถามว่าใครเห็นมากี่ครั้งกระพิตตากี่ทีแล้วน น, นทุกครั้งเนี่ยนะสีที่เห็นทุกสีคนทุกคนที่เห็นเป็นที่ตั้งแห่งตันหาหมดทุกภาษะด้วยทุกทาวารด้วยเกิดมาได้ยินเสียงกี่ครั้งแล้วนั่นแหละทุกครั้งนั่นแหละเป็นเป็นที่โดยธรรมะตรงๆเขาคือเวทนาเกิดใช่ไหมเวทนาเหล่านั้นอะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาหมดเลย มันก็สรุปว่าไม่พร่องด้วยตันหาน่นะไม่พร่องหมายความว่ามันเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาก็เลยเรียกอันนบบ้างมหันนบบ้างเรียกโอคาบ้างเรียกอะไรบ้างเนี่ยนะมาท่วมทับเลยนะถ้าถ้าเขาจะต่างกันอย่างนี้ว่าถ้าเป็นอันนบกับอันนบกับมห ah ันนบเนี่ยอันเดียวกันกับอีกคำหนึ่งคือโอคะ โอค่กับอันนบเนี่ยอันนบเนี่ยมันหมายความว่าห่วงน้ําที่มันใหญ่มากประดุดเช่นทะเลสาบเป็นต้นเนี่ยนะมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยหรือเหมือนกับทะเลจริงๆอันนี้มือเรียกว่าอันนพแต่ถ้าเป็นแบบน้ําป่ามันบ่าไหลมาท่วมทับทันทีเลยนะอันนี้เรียกว่าโอค่น้ําป่าหลากมาท่วมทับพัดเอาสาดไปหมดเลยนะ่ะลักษณะนี้เรียกว่าโอค่ามต่างกันอย่างไ้ มันก็เราก็ไม่พร่องด้วยขันท่าในทวารหซึ่งอั น, นิี้กิจของเขาคือปริญญาแล้วก็แม้กระทั่งฟังธรรมนะวัตถุเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งตันหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปยายถึงกิจกรรมอื่นโดยที่สุดแม้แต่กุศลก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเพราะกุศลก็ยังเป็นสุขเวทนากับอุเบขาเวทนามันเวทนาในกุศลก็เป็น เ, เป็นปัจจัยอย่างดีของตันหาอีกเหมือนกัน นะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะว่าขันห้าในทวารหกพวกนี้คือขันห้าในทวารหโดยสัจจะเป็นทุกขสัจจะตันหาในทวารหกเป็นสมุทัยสัจจะแล้วนิโรสัจจะละ่ะนิโรสัจจะหนะนึ่งะน ตั้งตรงนี้ก็ได้ต่าตรงนี้เรียกว่าทุกขานิโรธไนี่หนึ่งนะสองทุกขะสมุทยัยนิโรธทุกขะฉันทราคะนิโรธอีกชื่อหนึ่งคือทับทั้งสองคืออะไร นิสรณะ น, ะะนะนีนี่คือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพพานสภาพของเขาคือดับทุกคือดับขันห้าในทวารหหรือความไม่มีขันห้าในทวารหอีกชื่อหนึ่งคือความดับเหตุแห่งทุกหรือตัวที่ดับตัณหาในทวารหอ่ะนะสภาวะนั้นแหละเรียกว่าสลัดออกจากทุกสามประการเนี่ยนะ ก็มีกิจเฉพาะตัวเฉพาะตั ว, ตวชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมทุกปริญญากิจสมุทยัยปหาณากิจนิพานเป็นสัจจิกิริยากิจคือกิจคือการทําให้แจ้งไอ้ที่เจริญมีอยู่เรื่องเดียวคือพาเวตพระหรือที่เรียกว่ามักอันนี้คือกิจเลยแหละที่ที่ต้องทําขึ้น น, นะเรียกว่าพรหมจันทร์ก็ได้เรียกว่ากิจก็ได้เรียกว่าปฏิปทาก็ได้ซึ่งไอ้มักแปอันนี้แหละเรียกว่า มัชชิมาใช่ัหมมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยเรียกว่าทางสายกลางถ้าเรารู้จากทางสายกลางนี่หมายความว่าเราจะต้องรู้เอียงสองข้างไงเหมือนกับถนนเอียงซ้ายกับเอียงขวากับเส้นทางตรงเส้นตรงนี่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเอียงซ้ายคืออะไร กามสุขัลิกานุโยกเอียงขวาอัตตะกิลมฐานุโยกนะส่วนตรงๆเรียกว่ามัชชิมาแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าที่เจริญนี่เป็นมัชชิมาอยู่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดนนะว เ, เนี่ยนะว่าเออเนี่ยที่ฉันกําลังเจริญนะฉันกําลังเจริญมักอยู่นะคุณดาวั น, นอ๋อเหรอ อ๋ออ๋อบอกว่าจากักขุกรณีทำให้มีจกักขุถ้าเจริญถูกนะจกักขุกรณีใช่ไหม ย, ยานะกรณีทํทจกักขูให้เกิดขึ้นทํายานให้เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อความนิพิทาเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความอะ น, นะความดับนิโรธ เป็นไปเพื่อความสงบอุปสมะนี่นะเป็นไปเพื่อตรัสรู้สัมโพธายะเป็นไปเพื่อนิพานอันนี้เป็นเครื่องวัดว่าถ้าเจริญมัชชีมาปฏิปทาถูกจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเครื่องวัดนะไม่ใช่ว่าเพราเชื่อไหมทุกคนเขาบอกว่าเขาเจริญมัชชีมาหมดเลยทุกคนก็แสดงว่าใกล้นิพานกันหมดเลย แล้วอะไรเป็นเครื่องวัดว่าใกล้จริงหรือใกล้เทียมใกล้เท็จหรือใกล้จริงก็ น, นี่แหละจักขุู่ยานเกิดขึ้นไหมถ้าจักรุู่กยานเกิดขึ้นเขารู้อะไรรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกคณิโรธเนี่ยนะคือจักขคู่กยานเขาเกิดขึ้นเขารู้อย่างนี้นะถ้าเจริญหรือเรียกว่าปฏิบัติสายกลางจริงๆต้องเห็นอริยสัจละบางนันทำกิจในอริยสัจ แล้วก็เบื่อหน่ายในวัตตะขึ้นเพิ่มไหมนนเห็นโทษของวัตตะขึ้นทุกวันทุกวันอย่างแสดงว่าบางคนก็เรียนธรรมะตอนแรกก็อยากจะรู้ว่าธรรมะเป็นอะไรเท่านั้นเองใช่ไหมเรียนไปเรียนมาเออวัตตะมันชักร้อนขึ้นร้อนขึ้นอันนี้ก็แสดงว่าเรียนถูกเรียนถูกธรรมะแล้วถ้าวัตตะมันร้อนนะแต่ถ้าเรียนไปแล้วเฉมขึ้นเฉมขึ้นนะวัตตะดูไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างนี้ก็อันนี้ผิดแล้วก็นิโรธคือม่งที่จะดับเนี่ย ดับสมุทัยกระดับมุ่งดับฉันธราคาในวัตตะอันนี้ก็ถูกแล้วก็เพื่อสงบวัตตะโดยประการทั้งปวงก็เป็นชื่อของนิสรณะต้องการสงบโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นการทั้งเบื่อนายคลายกำหนัดความดับอันนี้ต้องเป็นพวกตรัสรู้นะเป็นความตรัสรู้นะมันเป็นอภิสมัยใช่มตรัสรู้คืออภิสมัยสัมโพธายะเนี่ยตรัสรู้ว่าน้ทุกตรัสรู้ด้วยการ กำหนดรู้สมุทัยตรัสรู้ด้วยการละนิโรธตรัสรู้ด้วยการทำให้แจ้งมรรคตรัสรู้ด้วยการเจริญและก็นินพานก็คือนิวานะใช่ไหมความสิ้นตัณหานิวานะคือสิ้นตัณหาที่ร้อยรัดอันนะเลิกเอาตามาต่อตาสักทีนึงเลิกเอาหูมาต่อหูสักทีหนึ่งเลิกเอาจมูกต่อจมูกเอาลิ้นต่อ เลนเอากายต่อกายเอาใจต่อใจเนี่ยนะเชื่อไหมเราทั้งหลายเนี่ยทํากิจกรรมกำลังเอาต่อกันหน้าดูนะลองจุติดูเกิดทันทีเลยเอาเพราะมันเพราะทำกิจต่ออยู่ตอนเนี่ยแต่ว่าถ้าขณะที่ฟังทำก็ต่ออะไรต่อสุขติพบใช่ไหมถ้าไม่ได้ฟังทำก็ต่อไปงั้นเนี่ยก็ดูเอากันแล้วกันบางคนไม่ฟังก็อาจจะเจริญกรรมฐานอยู่ก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าทํากิจกรรมต่อวตัตฏะอยู่ตลอดเวลา พันธอมุ่งว่ามุ่งจะสงบจะเลิกต่อกันได้ไหมแต่ที่จะเลิกต่อได้จริงๆนะต่อเมื่อแทงตลอดนิพพานแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่การเจริญนะเพราะบางคนอยากจะดับคิดว่าดับเฉยๆโดยที่ไม่มีมรรคอะไรเลยก็มุ่งแต่จะดับอยากดับแต่ว่าไม่ได้เจริญมรรคก็กม่ใช่น้อยเนี่ยนะนะส่วนผู้ที่เจริญก็ไม่รู้ว่าจะไปดับยังไง ความรู้อันนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินนะความรู้ดังกล่าวไปนะเป็นสัมมาทิฏฐิถามว่าความรู้อันนี้เราเอามานึกบ่อยไหมให้เป็นสัมมาสังกปัปปะก็อยู่ที่การเอาเอามานึกใช่ไหม เ, เพราะสัมมาสังกัปปะนี้อยู่ที่การคือนึกถึงอริยสัจได้บ่อยเพียงใดนึกได้บ่อยมากไหมนึกมากไหม เพราะว่าสัมมาทิฏฐินิจมต้องมีสัมมาสังกปะเป็นสหายสหายแล้วโดยเฉพาะถ้าถ้าใครศึกษาวิถีจิตมาดีเนี่ย น, น, นะจ็บเลยใช่ะมะโนทวาราวัชนะนี่มีเจตสิกประกอบอะไรบ้างไหมครูมหาตรีปีนี้แล้วตอบผิดเสียหายน่ย ขอประกาศนียบัตรคืนแน่ปีนี้อาวัชนะเนี่ยนะมโนทวาราวัชนะมีเจตสิกอะไรบ้างอานะันนั้นคื อ, อสัพพะจิตตะสัพพจิตตะสาธารณาเจตสิก 7. เจนะ็ดอันนั้นปกิณกะมีอะไรบ้างปกิณกะทั้งหมดมีหกแต่ว่าไม่ได้เกิดทั้งหกหนึ่ง วิตกมีไหมมีวิจารมีไหมมีวิริยะมีไหมวิริยมีคุณชูศรีมีเท่าไหร่ทั้งหมดฮะมีสิบใช่ไหมวิตกวิจารและอะไรอีกตัวอธิโมกครับ นะะไม่มีถ้าถ้าสิบนะก็เนี้ยมีอยู่เท่านี้นะถ้าสิบนะอันนะัวิรยิยะปีติฉันทะอันนี้ไม่น่ามี